อคติอคามะนะว่าด้วยการ no. ไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงพระชอบถามอย่างไรชื่อว่าไม่ลำเอียงพระชอบตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงพระชอบเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงพระชอบเมื่อแสดงสิลงมิใช่วิันว่ามิใช่วิันชื่อว่าไม่ลำเอียงพระชอบ เมื่อแสดงวินัยว่าเป็นวินัยชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงสิ่งที่พระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตได้พาสิทธไว้ได้ตรัสไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงพระชอบ เมื่อแสดงจริยวัดที่พระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมาชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงจริยวัตดที่พระตถาคตได้ทรงประพฤติว่าพระตถาคตได้ทรงประพฤติมาชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงสิ่งที่พระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบ เมื่อแสดงสิ่งที่พระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ว่าพระตถาคตได้ทรงบัญญัติไว้ชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงอนาบัตว่าเป็นอนาบัตชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงอาบัตว่าเป็นอาบัตชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบเมื่อแสดงอาบัตเบาว่าเป็นอาบัตเบาชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตหนัก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 ภิกษุชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชอบด้วยอาการอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะฉังถามอย่างไรชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะฉังตอบภิกษุเมื่อแสดงอาธรรมว่าเป็นอาธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะฉังเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังละถึงเมื่อแสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะฉัง เมื่อแสดงอาบัตไม่ช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วหยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังภิกษุชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะชังด้วยอาการอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะหลงถามอย่างไรชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรมชื่อว่าไม sure <mar Episode 1> <t> ่ลำเอียงเพราะหลงเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงละถึง เมื่อแสดงอาบัตช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตช่วยหยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงเมื่อแสดงอาบัตไม่ช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วหยาบชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงภิกษุชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะหลงด้วยอาการอย่างนี้ไม่ลำเอียงเพราะกลัวถามอย่างไรชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัวตอบภิกษุเมื่อแสดงอาธรรมว่าเป็นอาธรรมชื่อว่าไม่ลำเอียงเพราะกลัว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 ผู้ใดไม่ประพฤติล่วงทมเพราะชอบเพราะชังเพราะกลัวเพราะหลงยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นฉะนั้น 4. สัญญาปณาิยติว่าด้วยการชี้แจงเป็นต้นถามอย่างไรชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงตอบภิกษุเมื่อแสดงอธรรมว่าเป็นอาธรรม ชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงและถึงเมื่อแสดงอาบัตชั่วยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจงเมื่อแสดงอาบัตไม่ชั่วยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบชื่อว่าชี้แจงในฐานะที่ควรชี้แจง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 ตอบภิกษุเมื่อแสดงอาธรรมว่าเป็นอะธรรมชื่อว่าเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเล็งเมื่อแสดงธรรมว่าเป็นธรรมชื่อว่าเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเล็งและถึงเมื่อแสดงอาบัตชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตชั่วยาบชื่อว่าเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเล็งเมื่อแสดงอาบัตไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาบชื่อว่าเพ่งเล็งในฐานะที่ควรเพ่งเล็ง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 อย่างไรชื่อว่าดูหมินฝ่ายอื่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พวกแล้วตอบภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ได้พวกได้บริวารแล้วมีพวกมีญาตจึงคิดว่าผู้นี้ไม่ได้พวกไม่ได้บริวารไม่มีพวกไม่มีญาตดังนี้จึงดูหมิ่นภิกษุนั้นย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมละถึง แสดงอาบัตช่วยว ห, ว ย, าาหวยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วหยาบแสดงอาบัตไม่ช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตชั่วหยาบภิษุชื่อว่าดูมิ่นฝ่ายเอ่นด้วยเข้าใจว่าเราได้พวกแล้วด้วยอาการอย่างนี้ว่าด้วยดูมิ่นภิษุมีสุตตะน้อยถามอย่างไรชื่อว่าดูมิ่นผู้มีสุตตะน้อยด้วยเข้าใจว่าเรามีสุตตะมากตอบภิษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีสุตตะมากทรงจำสุตะสังสมสุตะดูหมินภิกษุนั้นว่าท่านผู้นี้มีสุตตะน้อยมีอาคมน้อยทรงจำไว้ได้น้อยย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมละถึงแสดงอาบัตช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วยหยาบแสดงอาบัตไม่ช่ว ย, ยหยาบว่าเป็นอาบัตช่วยหยาบภิกษุชื่อว่าดูหมินผู้มีสุตตะน้อยด้วยเข้าใจว่า เรามีสุตตะมากด้วยอาการอย่างนี้ว่าด้วยดูมิ่นภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่าถามอย่างไรชื่อว่าดูมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่าตอบภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เป็นเทระรู้ราตรีบวชนานดูมิ่นภิกษุนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้อ่อนกว่าไม่มีชื่อเสียงมีสุตะน้อย ไม่รู้สิ่งที่ทำไปแล้วถ้อยคำของผู้นี้จะเป็นถ้อยคำที่ทำไม่ได้ดังนี้ย่อมแสดงอาธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอะธรรมและถึงแสดงอาบัตช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วหยาบแสดงอาบัตไม่ช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตช่วยหยาบภิกสุชื่อว่าดูมิ่นภิกษุผู้อ่อนกว่าด้วยเข้าใจว่าเราเป็นผู้แก่กว่าด้วยอาการอย่างนี้ ว่าด้วยไม่พึงพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงคำว่าไม่พึงพูดเรื่องที่ยังมาไม่ถึงนั้นเคอไม่นำคำพูดที่ไม่เข้าประเด็นมาคำว่าไม่พึงให้เรื่องที่มาถึงแล้วเสื่อมไปจากพระธรรมวินัยนั้นคือไม่พึงทำประโยชน์ที่สมงประชุมกันแล้วให้เสื่อมไปจากพระธรรมจากพระวินัยว่าด้วยธรรมวินัยสัตุสาสตร์คว่าด้วยธรรมใด คือด้วยเรื่องจริงคําว่าด้วยวินัยใดคือโจทย์แล้วให้จําเลยให้การคําว่าด้วยสัตุศาสตรใดคือด้วยยติสัมปทาด้วยอนุสวรนสัมปทาอธิกรณ์นั้นย่อมระงับด้วยธรรมใดด้วยวินัยใดด้วยสัตุศาส์ใดเพื่ให้อธิกรณ์นั้นระงับด้วยวิธีนั้น 6. อนุวิเชากัสะอนุโยคะว่าด้วยข้อซักถามของภิกษุ ผู้วินิจฉัยอธิกรอันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงถามโจดว่าอาวุโสข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้นั้นท่านงดเพราะเรื่องอะไรท่านงดด้วยศีลวิบัติท่านงดด้วยอาจาราวิบัติหรือท่านงดด้วยทิฏฐิวิบัติถ้าโจดนั้นตอบอย่างนี้ว่าเขาพาเจ้างดด้วยศีลวิบัติงดด้วยอาจาราวิบัติหรืองดด้วยทิฏฐิวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรนั้น พึงซักถามโจท์อย่างนี้ว่าท่านรู้ศีลวิปัติรู้อาจารวิบัติรู้ทิฏวิบัติหรือถ้าโจท์นั้นตอบอย่างนี้ว่าอวุโสเขาพเจ้ารู้ศีลวิบัติรู้อาจารวิบัติรู้ทิฏวิบัติภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงสักถามโจท์อย่างนี้ว่าอาวุโสก็ศีลวิบัติเป็นไนอาจารวิบัติเป็นไนทิฏวิบัติเป็นไน ถ้าโจดนั้นตอบอย่างนี้ว่าปาราชิกสีสังคาทิเศสิบสามนี้จัดเป็นศีลวิบัติทุลใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธินี้จัดเป็นอาจาระวิบัติมิชาทิฐิอันตคาเหกกะทิฐินี้จัดเป็นทิฏฐิวิบัติพิสุผู้วินิจฉัยอธิกรพึงสักถามโจดอย่างนี้ว่าอาวุโส ข้อที่ท่านงดประวรนาแก่ภิกษุรูปนี้นั้นท่านงดด้วยเรื่องที่ได้เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือด้วยเรื่องที่นึกสงสัยถ้าโจท์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้างดด้วยเรื่องที่ได้เห็นด้วยเรื่องที่ได้ยินหรือด้วยเรื่องที่นึกสงสัยภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์พึงซักถามโจ์อย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านงดประวรณาแก่ภิกษุรูปนี้ท่านงดด้วยเรื่องที่ได้เห็นนั้น ท่านเห็นอะไรท่านเห็นอย่างไรเห็นเมื่ อ, อไรเห็นที่ไหนท่านเห็นภิกษรุรูปนี้ต้องอาบัติปราชิกท่านเห็นภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆาธิเศษถุนละใจปาจิตตีปาจิเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธิหรืออันหนึ่งท่านอยู่ที่ไหนและภิกษุรูปนี้อยู่ที่ไหนท่านทําอะไรอยู่ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู่ถ้าโจตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสเขาพเจ้าไม่ได้งดประวรณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้เห็นแต่เขาพเจ้างดประวรณาด้วยเรื่องที่ได้ยินผู้วินิจฉัยอธิกรพึงซักถามโจท์อย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านงดประวรณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินนั้นท่านได้ยินอะไรได้ยินอย่างไรได้ยินเมื่อไรได้ยินที่ไหนท่านได้ยินว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปราชิก หรือท่านได้ยินว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัต ส, สังฆาธิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติทีสเนยะทุกกฎทุกภาสิทธ์หรือท่านได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุณีสิกขมานาสามนเณรสามนเณรีอุบาสกอุบาสิกาพระราชาราชมหาอมาตเดรีสาวกของเดรีหรือถ้าโจตอบอย่างนี้ว่า อาวุโสเขาพเจ้าไม่ได้งดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่ได้ยินแต่เขาพเจ้างดปวารณาด้วยเรื่องที่นึกสงสัยต่างหากผู้วินิจฉัยที่กรพึงสักถามอย่างนี้ว่าอาวุโสข้อที่ท่านงดปวารณาแก่ภิกษุรูปนี้ด้วยเรื่องที่นึกสงสัยนั้นท่านนึกสงสัยอะไรนึกสงสัยอย่างไรนึกสงสัยเมื่อไร่นึกสงสัยที่ไหน ท่านนึกสงสัยว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติปาราชิกหรือท่านนึกสงสัยว่าภิกษุรูปนี้ต้องอาบัติสังฆทิเศษทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทหรือท่านได้ยินจากภิกษุหรือได้ยินจากภิกษุณีศิขมานาสามนเณรสมมเณรีอุบาสกอุบาสิ ก, กาพระราชาราชมาอมาตเดรชี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 พึงปรับอาบัตตามปฏิญญาพึงทำปวารณากับบุคคลนั้น 7. ปุชาวิภาคว่าด้วยการจำแนกคำถามคำว่าท่านเห็นอะไรนั้นถามถึงอะไรคำว่าท่านเห็นว่าอย่างไรนั้นถามถึงอะไรคำว่าท่านเห็นเมื่อไหร่นั้นถามถึงอะไรคำว่าท่านเห็นที่ไหนนั้นถามถึงอะไรคำว่าท่านเห็นอะไรนั้นได้แก่ ถามถึงวัตถุถามถึงวิบัติถามถึงอาบัตรถามถึงอัจฉรย์คคำว่าถามถึงวัตถุนั้นได้แก่ถามถึงวัตถุแห่งปาราชิก8ถามถึงวัตถุแห่งสังฆาทิเศษยี่สิบสามถามถึงวัตถุแห่งอนิยตตาสองถามถึงวัตถุแห่งนิสักขี42ถามถึงวัตถุแห่งปาจิตตรยแดสถามถึงวัตถุแห่งปาติเทสนยะสอง ถามถึงวัตถุแห่งทุกกฎถามถึงวัตถุแห่งทุกภาสิทธคำว่าถามถึงวิบัตินั้นได้แก่ถามถึงศีลวิบัติถามถึงอาจารวิบัติถามถึงทิฏฐิวิบัติถามถึงอาชีววิบัติคำว่าถามถึงอาบัตินั้นได้แก่ถามถึงอาบัติปราชิกถามถึงอาบัติสังฆาทิเศษถามถึงอาบัติทุลัจถามถึงอาบัติปาิจิตี ถามถึงอาบัติปาติเทสนิยะถามถึงอาบัติทุกกฎถามถึงอาบัติทุกพาสิทคำว่าถามถึงอาชาจานั้นได้แก่ถามถึงจิตที่ทำกันสองต่อสองคำว่าท่านเห็นว่าอย่างไรนั้นได้แก่ถามถึงเพศถามถึงอีริยาบถถามถึงอาการถามถึงประการอันแปลกคำว่าถามถึงเพศนั้น หมายถึงสูงหรือเตีย้ยดำหรือขาวคำว่าถามถึงอิรียบทนั้นหมายถึงเดินหรือยืนนั่งหรือนอนคำว่าถามอาการนั้นหมายถึงเพศครรหัดเพศดิรัีหรือเพศบรรพชิตคำว่าถามประการอันแปลกนั้นหมายถึงเดินหรือยืนนั่งหรือนอนคำว่าท่านเห็นเมื่อไหร่นั้นได้แก่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 กทินาเภศว่าด้วยประเภทแห่งกทิน 1. นึ่งกทินนาอัฏฐตาธิว่าด้วยกรานกทินเป็นต้นใครไม่ได้กรานกทินใครได้กรานกทินอย่างไรกทินไม่เป็นอันกรานอย่างไรกทินเป็นอันกรานไม่ได้กรานกทินคําว่าใครไม่ได้กรานกทินนั้นคือบุคคลสองผูกได้แก่ภิกษุผู้ไม่ได้กราน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 ก็ถินไม่เป well, ็นอ so ันกรานด้วยอาการเพียงเย็บผ้าเก็ถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำลูกดุมแปดก็ถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำรังดุม 9. ก้กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาดสิบก็ถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาดด้านหน้าสิบเอ็ก็ถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงดามผ้า 12. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงย้อมผ้าเป็นสีมนสิบสกถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิตได้มา 14. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่พูดเรียบเคียงได้มา 15. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ยืมเขามา 16. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เขียนไว้ค้างคืน 17. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เป็นนิสักคี 18กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำกับปะพินทุ19กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าเว้นจากสังคาติ2 0กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าเว้นจากอุตราสงย์21กถินไม่เป sure ็นอันกรานด้วยผ้าเว้นจากอันตรวาสก22กระถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากจีวรมีขัน5หรือเกินกว่าห ซึ่งตัดทำให้เป็นมนลทนเสร็จในวันนั้น23กระถินไม่เป็นอันกรานเพราะเว้นจากบุคคลกราน 24. กระถินไม่เป็นอันครานโดยชอบถ้าภิกษุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนากระถินนั้นกระถินไม่เป็นอันกรานแม่ด้วยอาการอย่างนี้อธิบายเหตุที่ไม่เป็นอันครานบางข้อที่ชื่อว่าธรรมนิมิตคือภิกษุธรรมนิมิตว่า เราจักลางกระถินด้วยผ้าผืนนี้ที่ชื่อว่าพูดเรียบเคียงคยือภิกษุพูดเรียบเคียงด้วยคิดว่าเราจะให้ผ้ากระถินเกิดด้วยการพูดเรียบเคียงนี้ผ้าที่ไม่ได้ยกให้เรียกว่าผ้ายืมเขามาที่ชื่อว่าผ้าเก็บไว้ค้างคืนมีสองอย่างคือหนึ่งผ้าทําค้างคืนสองผ้าเก็บไว้ค้างคืนที่ชื่อว่าผ้าเป็นนิสสคี คือเมื่อพิกสุกํำลังทําอยู่อารุณ์ขึ้นมากระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการ24อย่างนี้เหตุกระถินเป็นอันกรานคำว่าอย่างไรกระถินเป็นอันกรานนั้นได้แก่กระถินเป็นอันกรานด้วยอาการ17อย่างคือ 1. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่ 2. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเทียมใหม่ 3. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเก่า 4. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าบางสกุล 5. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าตกตามร้าน 6. กกระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำนิมิตได้มา 7. ็กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเรียบเคียงได้มา 8. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา 9. ก้ระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืน 10. กถิ่นเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เป็นนิสกี11ก็ถิ่นเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทํากับปะพินทุ 12. ก็ถิ่นเป็นอังรานด้วยผ้าสังคาติ 13. ก็ถิ่นเป็นอันกรานด้วยผ้าอุตราสงส์ 14. ก็ถินเป็นอันกรานด้วยผ้าอันตรวาสก15ก็ถิ่นเป็นอันกรานด้วยจีวรเมฆันห้าหรือเกือนกว่าห้าที่ตัดดีแล้วทําให้มีมนทนเสร็จในวันนั้น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 คือมาติกา8ปริภูสองอนิสงฆ์ห้าทำส5ห้าอย่างนี้ย่อมเกิดพร้อมกับการกลางกถิน 2. กถินอนันตระปัจจยาทิว่าด้วยอนันตระปัจจัยแห่งกถินเป็นต้นประโยคมีทำเหล่าไหนเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมันอนันตระปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยโดยอุปนิสยาปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย โดยปัจฉาชาตะปัใจโดยสหชาตะปัใจบุพกรละถึงการถอนผ้าการอธิษฐานผ้าการกราณมาติกาและปริพโธดวัตถุมีธรรมเหล่าไหนเป็นปัจใจโดยอนันตระปัจใจโดยสมะนันตระปัจใจโดยนิสยะปัจใจโดยอุปนิสยะปัจใจโดยปุเรชาตะปัใจโดยปัจฉาชาตะปัใจ โดยสหชาตปัจจัยบุพกรณ์เป็นปัจจัยประโยคมี you you like บพุพกรณ์เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมนันตระปัจจัยโดยนิสยะปัจจัยโดยอุปนิสยะปัจจัยบุพกรณ์มีประโยคเป็นปัจจัยโดยปุเรชาตะปัจจัยประโยคมีบุพกรณ์เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัยทำสิบหอย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัย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 โดยสหชาตะปัจจัยการกรานผ้าเป็นปัจจัยการอธิษฐานผ้ามีการกรานเป็นป <esar> <upbringing>. <wh> <swimming> ัจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมานันตระปัจจัยโดยนิสยปัจัยโดยอุปนิสยปัจจัยการกรานมีการอธิษฐานผ้าเป็นปัจจัยโดยปุเรชาติปัจัยการอธิษฐานผ้ามีการกรานเป็นปัจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัย ทรรม15อย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาตาปัจจัยมาติกาและปริพโธ์เป็นปัจจัยการกรานมีมาติกาและปริพโธ์เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมะนันตระปัจจัยโดยนิสยปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยมาติกาและปริพโธ์มีการกรานเป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัยการกรานมีมาติกาและปริโธเป็นปัจจัย โดยปัจฉาชาตะปัจจัยสิบห้าอย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยวัตถุมีความหวังและสิ้นหวังเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยโดยสมานันตระปัจจัยโดยนิสยปัจจัยโดยอุปนิสยปัจจัยความหวังและสิ้นหวังมีวัตถุเป็นปัจจัยโดยปูเรชาตปัจจัยวัตถุมีความหวังและสิ้นหวังเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตะปัจจัย ทํา15อย่างเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัย 3. ปุพกรระนิธานาทิวิภาคว่าด้วยการจำแนกนิทานแห่งบุพกรณ์เป็นต้นถามบุพกรณ์มีอะไรเป็นนิทาน มีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทานการถอนผ้ามีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทานการอธิษฐาน้ามีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน ม, มีอะไรเป็นอง anda? มีอะไรเป็นสมุฐานการกรานมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดงเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุฐานมาติกาและปริพธดมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดงเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุฐาน ความหวังและความสิ้นหวังมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทานตอบบุปกณมีประโยคเป็นนิทานมีประโยคเป็นสมุทานมีประโยคเป็นชาติมีประโยคเป็นแดนเกิดก่อนมีประโยคเป็นองค์มีประโยคเป็นสมุทานการถอนผ้ามีบุปภณเป็นนิทาน มีบุปกรณ์เป็นสมุทฐานมีบุปกรณ์เป็นชาติมีบุปกรณ์เป็นแดนเกิดก่อนมีบุปกรณ์เป็นองค์มีบุปกรณ์เป็นสมุทฐานการอธิษฐานผ้ามีการถอนผ้าเป็นนิทานมีการถอนผ้าเป็นสมุทัยมีการถอนผ้าเป็นชาติมีการถอนผ้าเป็นแดนเกิดก่อนมีการถอนผ้าเป็นองค์มีการถอนผ้าเป็นสมุทฐาน การกรานมีการอธิษฐานผ้าเป็นนิทานมีการอธิษฐานผ้าเป็นสมุทัยม well ีการอธิษฐานผ้าเป็นชาติมีการอธิษฐานผ้าเป็นแดนเกิดก่อนมีการอธิษฐานผ้าเป็นองค์มีการอธิษฐานผ้าเป็นสมุทัยมาติกาและปริพอ์มีการกรานเป็นนิทานมีการกานเป็นสมุทัยมีการกรานเป็นชาติมีการกานเป็นแดนเกิดก่อนมีการกานเป็นองค์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 ละถึงการถอนผ้าการอธิษฐานผ้าการกรานมาติกาและปริพโธดวัตถุความหวังและความสิ้นหวังมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุฐานตอบประโยคมีเหตุเป็นนิทานมีเหตุเป็นสมุทัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อน มีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐานบุพกรและถึงการถอนผ้าการอธิษฐานผ้าการกรานมาติกาและปลริโธดวัตถุความหวังและความสิ่นหวังมีเหตุเป็นนิทานมีเหตุเป็นสมุทยัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐานถามประโยคมีอะไรเป็นนิทาน มีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองมีอะไรเป็นสมุฐานบุพกรการถอนผ้าการอธิษฐานผ้าการกรานมาติกาและปริโธดวัตถุความหวังและความสิ้นหวังมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองคมีอะไรเป็นสมุฐานตอบ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 มีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานสงเคราะห์ธรรมถามบุพกรณ์สงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไรตอบบุพกรณ์สงเคราะห์ด้วยธรรมเจ็ดอย่างคือหนึ่งซักผ้าสองกะผ้า3ตัดผ้า4ผูกผ้าหเย็บผ้า6ย้อมผ้า7ทํากับปะพินทุบุพกรณ์สงเคราะห์ด้วยธรรมเจ็อย่างนี้ ถามการถอนผ้าจัดเข้าธรรมเท่าไรตอบการถอนผ้าจัดเข้าธรรมสามอย่างคือ 1. ผ้าสังคาติ 2. ผ้าอุตราสงฆ์3ผ้าอันตรวาสศกถามการอธิษฐานผ้าสงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไรตอบการอธิษฐานผ้าสงเคราะห์ด้วยธรรมสามอย่างคือ 1. ผ้าสังคาติ 2. ผ้าอุตราสงฆ์3ผ้าอันตรวาสศก ถามการกรานสงเคราะห์ด้วยธรรมเท่าไรตอบการกรานสงเคราะห์ด้วยธรรมอย่างเดียวคือเปล่งวาจามูลเหตุแห่งกรินเป็นต้นถามกรินมีมูลเหตุเท่าไหร่มีวัตถุเท่าไรมีภูมิเท่าไหร่ตอบกริ่นมีมูลเหตุอย่างเดียวคือสงมีวัตถุสคือ1นึ่ผ้าสังขาติ 2. องผ้าอุตราสงส์3ผ้าอันตรวาศก มีภูมิ6คือ 1. ผ้าทําด้วยเปลือกไม้ 2. ผ้าทําด้วยฝ้ายสผ้าทําด้วยไหม 4. ผ้าทําด้วยขนสัตว์ 5. ผ้าทําด้วยป่าน 6. ผ้าทําด้วยสัมภาระเจือกันเบื้องต้นแห่งกถินถามกถินมีอะไรเป็นเบื้องต้นมีอะไรเป็นท่้ำกลางมีอะไรเป็นที่สุดตอบกถินมีบุปกรณ์เป็นเบื้องต้น มีการกระทำเป็นท่้ำกลางมีการกลางเป็นที่สุดองค์ของภิกษ <com> ุผ <com> <ks k> ู้กลางกถินถามภิกษ <poons Clintus anche> ุประกอบด้วยองค์เท่าไรไม่ควรกลางกถินภิกษุประกอบด้วยองค์เท่าไรควรกลางกถินตอบภิกษุประกอบด้วยองค์8ไม่ควรกลางกถินภิกษุประกอบด้วยองค์8ควรกลางกถินถามภิกษุประกอบด้วยองค์8ดเป็นชนัยไม่ควรกลางกถิน ตอบ 1. ภิกษุไม่รู้อุปกรณ์2ไม่รู้การถอนผ้า3ไม่รู้การอธิษฐานสไม่รู้การกราน 5. ไม่รู้มาติกา 6. ไม่รู้ปริโภดเจ็ 7. ไม่รู้การด อ, อกกถิน 8. ไม่รู้อนิสงค์ภิกษุประกอบด้วยองค์8นี้ไม่ควรกลางกถินถามภิกษุประกอบด้วยองค์8เป็นฉนัยควรกลางกถิน ตอบหนึพิรู้บุพกรณ์ 2. รู้การถอนผ้า 3. รู้การอธิษฐาน4รู้การกราน 5. รู้มาติกา6รู้ปริพภดเจรู้การดอกกถิน8รู้อานิสงภิกษุประกอบด้วยองค์แปนี้ควก ร, กกรกรานกะถินการกลานกะถินถามภิกษุพวกไหนกรานกะถินไม่ขึ้นภิกษุพวกไหนกรานกะถินขึ้น ตอบพิกษุสามพวกร่างกถินไม่ขึ้นพิกษุสามพวกร่างกถินขึ้นถามพิกษุสามพวกไหร่างกระถินไม่ขึ้นตอบ 1. นึ่งพิสุผู้อยู่นอกสีมาอนุโมทนา 2. เมื่ออนุโมทนากลับไม่เปล่งวาจา 3. เมื่อเปล่งวาจากลับไม่ยอมให้ผู้อื่นรู้พิกษุสามพวกนี้นกลางกถินไม่ขึ้นถาม ภิกษุ3ามพวกไหนกลางกระถินขึ้นตอบ 1. นภิกษุผู้อยู่ในสีมาอนุโมทนา 2. เมื่ออนุโมทนาก็เปล่งวาจา 3. เมื่อเปล่งวาจาก็ให้ผู้อื่นรู้ภิกษุสมพวกนี้กลางกระถินขึ้นวัตถุวิบัติเป็นต้นถามการกลางกถินเท่าไรไม่ขึ้นการกลางกถินเท่าไรขึ้นตอบการกลางกถินสามอย่างไม่ขึ้น การกลางกถินสามอย่างขึ้นถามการกลางกถินสามอย่างไหนไม่ขึ้นตอบ1นผ้าวิบัติโดยวัตถุ 2. วิบัติโดยการ 3. วิบัติโดยการกระทําการกลางกถินสามอย่างนี้ไม่ขึ้นถามการกลางกถินสามอย่างไหนขึ้นตอบ 1. นผ้าถึงพร้อมด้วยวัตถุ 2. อผ้าถึงพร้อมด้วยการ สามาถึงพร้อมด้วยการกระทาการกลางกระถินสามอย่างนี้ขึ้น